ก็แลกรันทุนอย่างนี้แล้วมาตลีเทพสารถีก็ขับรถต่อไปสแสดงสัตตะปริพันดะบรรพศซึ่งตั้งล้อมสิเนรุราชบัรพศพระศาสดาเมื่อจะตรัสการที่พระเจ้าในมิราชทอบพระเนรเห็นบรรพศเหล่านั้นแล้วตรัสถา ม, มาตลีเทพสารถีให้แจ้งชัดจึงตรัสว่าพระเจ้าในมิมหาราช ประทับอยู่บนที่พยานอันเทียมมา้าศิลทบหนึ่งพันเสด็จไปอยู่ได้ทอดพระเนตรเห็นภูเขาทั้งหลายในระหว่างนาทีสีทันดอนครั้นทอดพระเนตรเห็นแล้วได้ตรัสถามมาตลีเทพบุตรว่าภูเขาเหล่านี้ชื่ออะไรบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าอันเทียมด้วยมา้าศิลทบหนึ่งพันสหัสยุตตังความว่า ที่เทียมด้วยมะสินทบพันหนึ่งคำว่ามะหยะวาหิงความว่าอันม้าทั้งหลายนําไปคําว่าประทับอยู่บนทิพยานทิพยานะมัติถิโตความว่าเป็นผู้ประทับอยู่บนทิพยานเสด็จไปคําว่าได้ทอดพระเนตรเห็นอั ธ, ธาได้แก่ได้ทอดพระเนตรเห็นแล้ว คำว่าสีทันดรสีทันเตเรได้แก่ในระหว่างมหาสมุทรสีทันดรเล่ากันว่าน้ำในมหาสมุทรนั้นละเอียดโดยที่สุดเพียงแววหางนกยูงที่โยนลงไปก็ไม่อาจลอยอยู่ได้ย่อมจมลงทีเดียวฉะนั้นมหาสมุทรนั้นจึงเรียกกันว่ามหาสมุทรสีทันดรในระหว่างแห่งมหาสมุทรสีธันดร น, นั้น คำว่าภูเขาทั้งหลายณนะเคได้แก่ภูเขาคำว่าชื่ออะไรเกนามะความว่าภูเขาเหล่านี้ชื่ออะไรมาตาลีเทพบุตรถูกพระเจ้าเนมิราชตรัสถามอย่างนี้แล้วจึงทูลตอบว่าภูเขาใหญ่ทั้งเจ็ดคือภูเขาสุทธัสนะภูเขากระวีกะภูเขาอิสินทระ ภูเขายุคันธระภูเขาเนมินทระภูเขาวินตกะและภูเขาอัศกันนะภูเขาเหล่านี้สูงขึ้นไปโดยลำดับอยู่ในมหาสมุทรสีทันดรเป็นที่อยู่ของเท้าจาัตุมหาราชขอเชิญพระองค์ทอปพระเนตธเถิดพระเจ้าค่าบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าภูเขาสุทัศนะสุทัศโนความว่า ข้าแต่มหาราชเจ้าภูเขานี้ชื่อสุทัศนบรรพศอยู่ภายนอกภูเขาเหล่านั้นทั้งหมดถัดภูเขาสุทัศนนั้นชื่อภูเขากระวีกะภูเขากระวีกะนั้นสูงกว่าภูเขาสุทัศนอนหนึ่งทะเลชื่อสีทันดรอยู่ในระหว่างสองภูเขานั้นถัดภูเขากระวีกะชื่อภูเขาอิสินทระ ภ Hoy, ูเขาอิสิสนทระนั้นสูงกว่าภูเขากระวีกะอนหนึ่งทะเลชื่อสีทันดรอยู <ucks zij S 1> ่ในระหว่างสองภูเขานั้นถัดภูเขาอิสินทระชื่อภูเขายุคันธระภูเขายุคันธระนั้นสูงกว่าภูเขาอิสินทระทะเลชื่อสีทันดรอยู่ในระหว่างสองภูเขาแม่นั้นถัดภูเขายุคันธระชื่อภูเขาเนมินทระ ภูเขาเนมินทระนั้นสูงกว่าภูเขายุคันทระทะเลชื่อสีทันดรอยู่ในระหว่างสองภูเขาแม่นั้นทัดภูเขาเนมินทระชื่อภูเขาวินตกะภูเขาวินตกะนั้นสูงกว่าภูเขาเนมินทระทะเลชื่อสีทันดรอยู่ในระหว่างสองภูเขาแม้นั้นทัดภูเขาวินตกะชื่อภูเขาอัศกันนะ ภูเขาอัศกันณะนั้นสูงกว่าภูเขาวินตกะทะเลชื่อสีทันดร อ, อยู่ในระหว่างสองภูเขาแม่นั้นคําว่าสูงขึ้นไปโดยลําดับอนุปุพรสมุขคตาความว่าภูเขาทั้งเจ็ดเหล่านั้นในทะเลสีธันดรสูงขึ้นไปโดยลําดับดุดขั้นบันไดตั้งอยู่คําว่ายานิความว่าข้าแต่มหาราชเจ้า ขอเชิญพระองค์เทพระเนรภูเขาเหล่านี้ซึ่งเป็นที่อยู่ของเท้าจาตุมหาราชเทวดาผู้รักษาโลกประจันทิศทั้งสี่บางทีเรียกว่าเท้าจัตุโลกบาลได้แก่เท้าทัตตรศประจันทิศบูรพาท้าวิรุณหกประจันทิศทักษิณท้าวิรูปักประจันทิศประจิมเท้ากูเวระประจันทิศอุดร มาตลีเทพสารถีแสดงเทวโลกชั้นจาตุมหาราชแต่พระเจ้าในมิราชอย่างนี้แล้วขับรถต่อไปแสดงรูปเหมือนพระอินท์ซึ่งประดิษฐานล้อมซุ้มประตูจิตตกูดแห่งดาวดึงพิภพพระเจ้าในมิราชท่อพระเนตรเห็นประตูนั้นแล้วตรัสถามแม้มาตาลีเทพสารถีก็ได้ทูลบอกแด่พระองค์ ประตูมีรูปต่างๆรุ่งเรืองวิจิตต่างๆอันรูปเช่นรูปศั ก, กรินทระเทวราชแมดล้อมรักษาดีแล้วดุดป่าอันเสือโครงทั้งหลายรักษาดีแล้วฉะนั้นย่อมปรากฏความปลื้มใจย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นประตูนี้แน่มาตลีเทพสารถีเราขอถามท่านประตูนี้เขาเรียกชื่อว่าอะไร เป็นประตูที่น่ารื่นรมย์ใจเห็นได้แต่ไกลทีเดียวมาตาลีเทพสารถีทุนพยากรพระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทําบุญทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าประตูนี้เขาเรียกว่าจิตตกูดเป็นที่เสด็จเข้าออกของเท้าสั ก, กเทวราชเพราะประตูนี้เป็นประตูแห่งเทพนคร ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสิเนรุราชอันงามน่าดูปรากฏอยู่มีรูปต่างๆรุ่งเรืองวิจิตต่างๆอันรูปเช่นรูปสักกรินทรเทวราชแวดล้อมรักษาดีแล้วดุดป่าอันเสือโคร่งทั้งหลายรักษาดีแล้วฉะนั้นย่อมปรากฏข้าแต่พระราชาผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ขอเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปทางประตูนี้ ทรงเหยียภูมิภาคอันราบรื่นเถิดบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ามีรูปต่างๆอเนกรู ป, ปังได้แก่มีหลายชนิดคำว่าวิจิตต่างๆนานาจิตตังได้แก่บิจิตด้วยรัตนะต่างต่าคำว่าย่อมปรากฏปกาสติความว่าประตูนี้ปรากฏว่าชื่ออะไร คำว่าแวดล้อมอากินนังได้แก่ห้อมล้อมแล้วคำว่ารักษาดีแล้วดุดป่าอันเสือโครงทั้งหลายรักษาดีแล้วฉะนั้นพยักเคเหวะสุรักขิตังความว่าป่าใหญ่อันเสือโครงหรือราชสีทั้งหลายรักษาดีแล้วฉันใดประตูนี้อันรูปเช่นรูปพระอินนั่นแหละรักษาดีแล้วฉันนั้น ก็ความที่รูปเหมือนพระอินเหล่านั้นเขาตั้งไว้เพื่อประโยชน์ในการอารักขาพึงกล่าวในกุลาวัคชาดกในเอกนิบาตคำว่าเรียกชื่อว่าอะไรกิมพัญญามาหุความว่าเขาเรียกประตูนี้ว่าชื่ออะไรคำว่าเป็นที่เสด็จเข้าออกปเวสนังความว่าตั้งไว้อย่างดีเพื่อประโยชน์เสด็จเข้าออก คำว่าอันงามน่าดูสุทัตสนัตสะความว่าเขาสิเนรุซึ่งงามน่าดูคำว่าเพราะประตูนี้เป็นประตูทวารังเหตังความว่าประตูนี้เป็นประตูของเทพนครกว้างยาวหมื่นโยอดซึ่งประดิษฐานอยู่บนยอดเขาสิเนรุคำว่าย่อมปรากฏปกาสติความว่า ซุ้มประตูย่อมปรากฏคําว่าสเสด็จเข้าทางประตูนี้เปวิเสเ ต, เตนะความว่าขอเชิญสเสด็จเข้านครทางประตูนี้ข้อ ว, ว่าจงทรงเหยียบภูมิภาคอันราบรื่นเถิดอรุชังภูมิปักกมะความว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอเชิญพระองค์ทรงเหยียบทิพยภูมิภาคอันราบรื่น ล้วนแล้วไปด้วยทองเงินและแก้วมณีมีบุพชาตินาน า, นาชนิดเกลื่อนกลาดด้วยยานทิพย์ก็แลครั้นทูลอย่างนี้แล้วมาตลีเทพสารถีได้เชิญพระเจ้าเนมิราชเสด็จเข้าเทพนครเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าพระเจ้าเนมิมหาราชประทับอยู่บนทิพยาน อันเทียมมาสินทพหนึ่งพันเสด็จไปอยู่ได้ทอดพระเนตรเห็นเทวสภานี้พระเจ้าเนมิราชนั้นประทับอยู่บนทิพยานสเสด็จไปได้ทอดพระเนตรเห็นเทวสภาชื่อสุธรรมาจึงตรัสถามมาตลีเทพสารถีมาตลีเทพสารถีแม่นั้นก็ได้ทูลบอกวิมานอันบุญญานุภาพตกแต่งแล้วนี้ ส่องแสงสว่างจากฝากแก้วไผทูลเรากับอากาศทรงแสงเขียวสดปรากฏในสาระการฉะนั้นความปลื้มใจย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นวิมานนี้แนมาตาลีเทพสารถีเราขอถามท่านวิมานนี้เขาเรียกชื่อว่าอะไรมาตาลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดํารัสตรัสถาม ตามที่ทราบวิบากแห่งสัตผู้ทาบุญทั้งหลายแต่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าวิมานนี้นั้นเป็นเทวสภามีนามปรากฏว่าสุธรร ม, มาตามที่เรียกกันรุ่งเรืองด้วยแก้วไผ่ทูลงามวิจิตอันบุญญาณุภาพตกแต่งดีแล้วมีเสาทั้งหลายแปดเหลี่ยมทำไว้ดีแล้วล้วนแล้วด้วยแก้วไผ่ทูลทุกทุกเสา ร, รองรับไว เป็นที่ซึ่งเทพเจ้าเหล่าดาวดึงทั้งหมดมีพระอินทร์เป็นประมุขประชุมกันคิดประโยชน์ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายข้าแต่พระราชาผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ขอเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปสู่ที่เป็นที่บันเทิงของเทวดาทั้งหลายโดยทางนี้บรรดาคาเหล่านั้นคำว่าอิทังเป็นเพียงนิบาศความว่า ได้ทอบพระเนตรเห็นเทวสภาคำว่านี้นั้นเอเสสาได้แก่วิมานนี้นั้นคำว่ารุ่งเรืองด้วยแก้วไผ่ทูลเวลุริยารุจิราความว่ามีแก้วไผ่ทูลที่งดงามคำว่างามวิจิตจิตตราความว่างามวิจิตด้วยรัตนะต่างๆางคำว่ารองรับไว้ ทาระยันติความว่าเจ้าทั้งหลายประเภทแปดเหลี่ยมเป็นต้นที่ทำไว้ดีแล้วเหล่านี้รองรับเทวสภานี้ไว้คำ ว, ว่ามีพระอินเป็นประมุขอินทปุโรหิตาความว่าเทพเจ้าเหล่าดาวดึงพากันแวดล้อมยกพระอินเป็นหัวหน้าคิดปรารถนาถึงความต้องการของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายควาว่า ขอเชิญเสด็จเข้าไปสู่ที่เป็นปวิเสเตนะความว่าขอเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปสู่สถานที่เป็นที่บันเทิงของพวกเทวดาที่ปรารถนาบันเทิงกะกันและกันโดยทางนี้